เราฝึกปฏิบัติมาฝึกจิตที่ไม่สงบให้มันสงบจิตที่มันฟุ้งซ่านให้มันหายฟุ้งซ่านจิตมันอ่อนเพลียเบื่อหน่ายขี้เกียจขี้ค้านต้องขับพวกนี้ออกให้หมดขับความที่มัน เบื่อมันนายมันขี้เกียจขี้ค้านนี่มันทอมันถอยนี่ต้องขับออกจากใจเราให้ใจเรามีมีความเพียรชอบเพียรสร้างความดีเพียรละความชั่วจิตเราไม่สงบก็พยายามทำให้มันเกิดความสงบโดยการบริกรรมการบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้ บุรีกรรมสัมมาลาหังก็ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้นามาพัทะก็ได้ได้หมดหรืออนาปานสติก็นอะเหมือนกันอนาปานสติตพระพุทธเจ้าใช้ปฏิบัติวันที่จะได้ตัดสรููเป็นพระุทธเจา้าเออันนี้เราชัดขึ้นในใจของ พ, พระองค์คงจะดำเนินตามนั้น ก็ได้สำเร็จเป็นพระาอารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ติสอนพวกเราสอนไว้ในพระธรรมวินวัยก็ยังดำรงอยู่ดีอยู่สมบูรณ์อยู่เราปฏิบัติตามนั้นแหละปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละอย่างสมมุติว่าเรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก ก็ให้มีสติอยู่กับลมอย่าให้สติมันเลื่อนลอยไปที่อื่นอย่าให้สติมันขาดให้สติมันอยู่กับลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกะมีสติเห็นอยู่ตลอดจิตที่มันฟุ้งซ่านมันก็ถอนจากความฟุ้งซ่านไปตามลมต่างๆมาอยู่กับลมหายใจ มันอยู่กับลมหายใจถ้ามันละเอียดขึ้นกว่านั้นมันก็จะเห็นลมหายใจยาวบ้างลมหายใจสั้นบ้างนี่แหละอันนี้เป็นวิธีฝึกจิตให้สงบวิธีไหนก็ได้ถ้ามันสามารถทำจิตให้สงบได้อืมวิธีไหนก็ได้หมดแหละถ้าเราสามารถทำจิตให้สงบได้แต่ที่นี่สอนอันเดียวถ้าสอนหลายอันมันก็จะ สับสดรุ่นวายเหมือนผู้หลีกเลดนบางคนก็บอกว่าอาจารย์ไหนนอจะดีอาจารย์ไหนมันก็ดีหมดถาม้าทำท่านถามของท่านนะดีมั่นกันหมดแล้เนี่ยแต่ขออย่างเดียวขอให้จิตของเราเป็นหนึ่งนิ่งสงบเป็นหนึ่งได้นั่นก็ดีมัอนกันดีมัอนกัน อันไหนก็ดีเหมือนกันแต่ให้เอาอันเดียวอย่าเอาหลายอย่างอย่าเอาหลายอันแม้แต่ผู้สอนสอนอยู่นี่ก็สอนอย่างเดียวคือสอนให้กำหนดลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็ให้กำหนดลมหายใจออกก็ให้กำหนดกำหนดอะไรกำหนดรู้ลมให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละ ลมหายใจเข้าก็ให้รู้ลมหายใจออกก็ให้รู้เอาอย่างงั้นน่ะมันจะคิดนึกไปเรื่องอื่นอย่างอื่นเราไม่เอาไม่ต้องใส่ใจสิ่งอื่นอย่างอื่นไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องใส่ใจในสิ่งอื่นใส่ใจแต่ลมหายใจเขา้าออกนั่นแหละเราปฏิบัตินี่ไม่ได้ปฏิบัติ เพื่อครูบาอาจารย์องนั้นครูบาอาจารย์องนี้เราปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติวิธีไหนมันก็ดีหมดแต่ในที่นี้สอนให้กําหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็สอนสูงขึ้นไปอีกคือให้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่หรือวิปัสนาญาณ น, นั่นเอง ยานอย่างรู้อริยสัจอริยสัจสี่เนาะปัญญาวิปัสนาวิปัสนาไปว่าทำให้รู้แจ้งรู้อะไรรู้ ต, ตัวตนของเราเนี่แหละเราเกิดมาอย่างไงจากคันวารดาของเราอยู่ในท้องสิบเดือนเก้าเดือนสิบเดือนเราลงมาถือปฏิสนทิในคันวารดา เก้าเดือนสิบเดือนพอคลอดออกมาเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายนะแต่ก่อนเป็นอะไรล่ะเป็นสัตว์ตัวเล็กนิดเดียวเรามาหลงยึดถือสัตว์ตัวเล็กนิดเดียวนั่นแหะว่าเป็นของเราของเราในคันมารดาจนท้องได้เก้าเดือนสิบเดือนนีงคลอดจากคันมารดามานะมันเป็นอย่างนั้น พอจากคันมารดามาแล้วก็พ่อแม่บิดามารดาก็เลี้ยงดูเลี้ยงดูให้อาหารให้ข้าวให้น้ำให้เครื่องอบอุ่นทั้งหลายนั่นอะอายุได้ขวบหนึ่งสองขวบสามขวบจนถึงเจ็ดขวบแปดปีเก้าปีสิบปีเห็นมมันแก่ไปเรื่อยๆเห็นไหข้าปีสิบปีแล้วก็ เลื่อยขึ้นไปยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแก่แล้วบ้านเห็นแก่ชัดแล้วบ้านแต่ก่อนยังไม่เห็นชัดอันนี้ว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นสาวเป็นนางอยู่ยังไม่เลยังไม่ชัดเจนแต่พออายุเจ็ดสิบแปดสิบไปแล้วนี่ชัดเจนลเลยหกสิบก็เริ่มชัดเจนขึ้นมาแล้วโอ้แก่แล้วเราเป็นคนแก่แล้วอเหมือนน้องพ่อเนี่ย ให้เป็นคนแก่แอายุหกสิบกว่าแล้วนะต่อไปถึงร้อยหรือเปล่าอันนี้กาหนดไม่ได้เลยไปถึงไหนก็ถึงนั่นนี่มันแก่ขึ้นไปเรื่อยๆแปดสิบล่ะจะเป็นยังไงแปดสิบนี่หลงห น, น้าหลงหลังแล้วผู้บางคนมันก็เรื่อยขึ้นไปเก้าสิบร้อย ตายแล้วแต่โดยมากมันไม่ถึงปานนั้นหรอกนี่แหละให้เราเห็นชัดว่าตัวของเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเกิดแก่เก็บตายเหมือนกันนี่แหละให้เห็นเข้ามาในตัวของเราเนี่ยตายแล้วจะทำยังไงตายแล้ววิ ญ, ญญาณก็ออกจากร่างอยู่ไม่ได้ที่มาหลงยึดถือว่าเป็นของเราก็ยึดถือไม่ได้แล้วเพราะมันไหม้เอาข้อไฟเผาละ แต่อยู่ได้ไงก็ออกนี้ไปตั้งแต่โรคขาดทรมหายใจขาดนั่นเนี่นี้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละเราจิตของเราก็ไปสู่พบภูมิอื่นถ้ามีบุญมีกุศลสั่งสมอบรมไว้มากก็ไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดามีบุญพอประมาณก็มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ามีบุญสูงสุดได้เป็นพระอรหันต์ก็ไปพระนิพพานถ้าเป็นพระโสดาสกิทาคา พอไปสวรรค์ไปพม่าโลกไทยอนาคาก็ไปสู่พม่าโลกสุทาวาตไม่ลงมาเกิดอีกเลยส่วนโซดากับสกิทาคาได้ลงมาเกิดอยูสกิทาคามาเกิดชาติเดียวมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวก็ได้สําเร็จเป็นพาระอรหันถ้าโสตบัน ก, ก็เกิดเกิดชาติเป็นอย่างชาก็ได้สําเร็จเป็นพาระอรหัน ส่วนนาคามีนั้นก็ไม่กลับมาเกิดในภูมิมนุษย์อีกเลยนไม่เกิดมากลับไม่กลับมาเกิดในภูมนุษย์อีกเลยปฏิบัติธรรมอยู่ข้างบนในบรรลุเป็นพระอรหันต์อยู่บนภูมิโลกสุทาวาสทีส่นายนายุพมก็เข้าพระนิพพานนี่มันเป็นอย่างนี้ ครูบาอาจารย์สอนองค์ไหนก็สอนดีหมดแหละแต่ ว, ว, ว่าเราทําถึงหรือเปล่าถ้าเราทําไม่ถึงมันก็ไม่ได้บรรลุเนี่ยนะมันไม่ได้รูปเป็นพระรฤาบุคคลแต่นี่เราก็ต้องพยายามใช้ความพยายามช่วยเหลือให้ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงได้แล้วรู้จักไหมรู้จักรักษาหรือไม่อันนี้ก็ลําบากอีกเหมือนกันเรื่องรักษาเนี่ยที่จะให้มันคงทนเนี่ย ให้มันอยู่ไปได้มบรรลุไปแล้วแต่ไม่รู้เรื่องอันนี้เราทำให้รู้เรื่องบอกให้รู้เรื่องบอกให้เข้าใจบอกให้รู้ชัดบอกให้รู้จริงในสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ได้อยู่บรรลุอยู่ถ้าบรรลุแล้วเราก็ไม่ติดอาจารย์ตรงไหนเราก็ไม่ติดไม่ติดอาจารย์ติดธรรมะ ติดข้อปฏิบัติของเราอย่าไปหลงในอาจารย์เอาข้อธรรมะเนี่ยปฏิบัติตามธรรมะนี่แลหละพยายามทําให้มากพยายามพิจารณาให้ ม, กมากๆทาจิตอยู่เรื่อยกําหนดรู้อยู่เรื่อยอันนี้เป็นเครื่องรอเครื่องอยู่ของจิตหรอกรอให้จิตสงบ ถ้าเราใส่เบ็ดเนี่ยเราจเจ้าแต่เบ็ดลงไปปลามันจะกินไหมมันก็ไม่กินแต่ถ้าเราใส่เรือนใส่มันก็กินเราเอาปลาหรือเอาไส้เรือนเราก็เอาแต่ปลาไส้เรือนเราไม่เอาพิธีปฏิบัติต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนั่นสอนเพื่อให้จิตสงบนั่นแหละแต่ว่าต่างคนต่างสอนกัน วิธีการที่สอนน่ะในพัฒไตบิดก์่ะแสดงไว้มีสี่สิบวิธีสี่สิบวิธีกระสินสิบกระสิน 10, สิบสิอนุสติสิบเป็นยี่สิบแล้วรวมแล้วทั้งหมดสี่สิบวิธีการแต่เราเอาอันเดียว เราไม่ต้องเอามากเอาอันเดียวเท่านั้นแหละตั้งใจไว้อันเดียวอย่างเอากำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องอืน่นจะไปว่าอาจารย์องค์นั้นดีองค์นี้ไม่ดีท่านก็ดีของท่านท่านทับของท่านอยู่แต่เราไปถามไปศึกษาไปปฏิบัติตามท่านก็ บ, บอกก็สอนเราแต่เราจะเข้าใจแค่ไหน อันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นให้ปล่อยวางความรู้สึกอันนี้ที่ไปติดที่ว่าอาจารย์นั้นดีอาจารย์นี้ไม่ดีมันจ ะ, ม, นจะ ม, ม, นนมันจะไม่ได้มากได้ผลน่ะนะมันจะไม่ได้มากได้ผลเราสอนนี่สอนเพื่อให้จิตเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้า สอนให้ถึงธรรมของคนที่เจ้าถึงใช้เวลานานหน่อยแต่เวลานานบางคนใช้เวลาเป็นยี่สิบนาทียังไม่บรรลุอยู่โอยังไม่ได้อะไรเลยก็ต้องแก้ไขกันดู ง, งั้นแนหะจนกว่าจะได้จนกว่าจะบรรลุจนกว่าจะมีมากมีผลขึ้นมาในใจปฏิบัติธรรมเนี่ย เวันเท่านั้นแหละมันก็บรรลุเป็นพระดีแบบคลแล้วถ้าตั้งใจปฏิบัติถ้าตั้งใจงงกระทามันก็มีอะไรมากคอยกําหนดรู้ลมเฉยๆนี่เองอยู่ที่ไหนก็กําหนดได้ลมนะ่ะเราอยู่ที่ไหนยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่หรืออยู่รถบนรถบนเรือเราก็สามารถกําหนดดูลมเราได้ นี่คือความง่ายของอานาปานสติแต่ความยากของอนาสวานสติคืออะไรคือความไม่เข้าใจเองนึกว่าทําเฉพาะเวลานั่งเวลาเดินวงกลมเราจะหาเวลานั้นได้ยังไงครอบครัวผัวเมียหาอยู่หากินโอ้ยมันลําบากสับสนวุ่นวายเรงนั้นเรื่องนี้นเยากมากแต่ถ้าเราเข้าใจเป็นรู้นะ เราก็สามารถกำหนดได้ตลอดยืนอยู่ก็สามสารถกำหนดได้เดินอยู่ก็สามารถกำหนดได้นอนอยู่ก็สามารถกำหนดได้นั่งอยู่ก็สามารถกำหนดได้แม้แต่เคี่ยวอาหารอยู่ก็ยังสามารถกำหนดได้สามารถกำหนดได้ตลอดเวลาเรียกว่าเราเข้าสมาธิอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญา ก, ก็คือมารูแจ้งเห็นจริงในอริยสัจสนีน่แหละ หรือว่าในสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอะไรเห็นชอบเห็นความเกิดเห็นความแก่เห็นความตายนี่ประจําเลยเห็นพวกนี้เห็นความเกิดความแก่ความเกิดความตายเห็นความโศกเศร้าเสียใจที่ลายล้าพันทุตีอกทุกตัวนี่แหละความโศกเศร้าเสียใจความสมหวังความผิดหวัง ความยึดมันมนนนม่นถือมั่นในขันทั้งห้าเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราไม่เห็นเป็นอันนจังความไม่เที่ยงไม่เห็นตัวของเรานี่ว่าเป็นอันิจังความไม่เที่ยงเป็นทุกขังความทนดูไม่ได้เป็นอนาตาความไม่มีตัวตนที่แท้จริงเรามองไม่เห็นทำไมจึงไม่เห็นเราอยู่กับความเกิดเราอยู่กับความแก่เราอยู่กับความเก็บเราอยู่กับความตาย แต่ก็ไม่เห็นว่านี่มันเป็นอนิจจังไม่เห็นว่าอนิจจังไงคือความไม่เที่ยงเห็นว่าโอ้อันนี้ไม่เที่ยงมันไม่เห็นเหมือนหมอเหมอืหมอนพยาบาลนะ่ยอยู่กับคนปว่วยอยู่กับคนเจ็บอยู่กับคนตายอยู่กับผ่าศพเห็นศพเห็นอะไรต่ออะไรอยู่แต่ก็ไม่ได้บรรลุเพราะอะไรต้งไม่บรรลุเพราะสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิด ปัญญาไม่เกิดมันก็ไม่บรรลุแต่ถ้าปัญญาเกิดแล้วมันบรรลุทันทีทําไมถึงจะให้ปัญญาเกิดก็ต้องทำใจของเราให้นิ่งเป็นหนึ่งเสียก่อนถ้าใจเราไม่นิ่งเป็นหนึ่งมันจะบรรลุได้หรือไม่ได้ไม่ได้เลยนะถ้าใจเรานิ่งเป็นหนึ่งแล้วเห็นไวบไม้ล่วงลงมาก็สามารถบรรลุเป็นพระริยบุคคลได้อย่างน้อยก็สดรบาลขึ้นไปแหลนะนันเป็นอย่างนั้น ไม่ใช่ธรรมดาน ะ, จะใจเป็นสมาธิอยู่แล้วนะ่ะใจมีสติปัญญาอยู่แล้วถ้าสมาธิมันก็หนุนกันขึ้นอยู่แล้วล่ะถ้ามีสมาธิแล้วก็นหนลุนปัญญาขึ้นมาหรื อ, อวิปัสนาขึ้นมาพอมาเห็นจริงเห็นแจ้งประจักษ์ในวัดตะสงสารน่นนี้มันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจิดตายตลอดเวลาพัดภากจากกันอยู่ตลอดเวลา บางทีก็พ่อตายก่อนบางทีก็เมียตายก่อนบางทีก็ลูกตายก่อนเอพ่อแม่ อ, อะไรอย่างนี้ก็มีนี่แหละเพราะฉะนั้นให้เรามาเห็นจริงในตัวเราว่าในตัวเรานี่เป็นไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นได้มันตั้งอยู่ได้แล้วมนันดับฉลายแตกตายไปได้เราเห็นอยู่เห็นเป็นทุกขขังคือทนอยู่ไม่ได้มันต้องไหลเรื่อยไปจะให้มันอยู่นิ่งๆไม่ได้ ดูสิว่าเรานั่งสมาธินี่วันแรกนี่ยโอ้เออเออดีใจหน่อยเพราะมันเป็นวันแรกวันหลังมาเนี่ยโอ้ยเริ่มเหนื่อยแล้ววานนี้เก็บแกงเก็บขาเก็บนู่นเก็บนี่ไปแล้ววันนี้นั่นหละเหนื่อยเมื่อยหมดแรงหมดนั่นเลยพอจะไปกุฏินี่โอ้ยเป็นเมื่อยเป็นซาลาหนิเมื่อยแล้วโอ้ยนั่งสมาธิอีกแล้วเนาะแย่กลัวเลย ว่าสมาธิระบบนพิจารณาให้มันเห็นให้มันเห็นของจริงของจริงอะไรอะ่ะของจริงคือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ให้เห็นทุกข์อันนี้ให้เห็นทุกข์นีว่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาคืออะไรอนัตตาคือความไม่มีตัวไม่มีตน ที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาว่าเป็นของเราของเราได้ตลอดไปเราอาศัยมันอยู่ช่วงระยะการหนึ่งเท่านั้นให้เราพิจารณาเหตุอย่างนี้ดูเข้ามาที่ตัวของเราเนี่แหละมองเข้ามาที่ตัวของเราเนี่แหละเห็นเข้ามาในตัวของเรานี่เองปล่อยวางตัวของเรานี่ให้มันหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายว่าตัวตนไออม่ให้ยึด แต่ว่าเราก็อาศัยมันทำความดีความชั่วไปจนถึงวันตายเนั่ยแหละแต่เรารู้เท่ารู้ทันพอมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรอกมันไม่เป็นไปตามความอยากความปราษาของเราหรอกเราไม่อยากไข่มันก็ไข่เราไม่อยากป่วยมันก็ป่วยเราไม่อยากเก็บมันก็เก็บไม่อยากตายมันก็ตายนี่มันไม่อยู่ในอำนาจของเรามันเป็นนาตา มันไม่อยู่ในอำนาจของเราหน้าตาคือควมไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นทางดำเนินไปเพื่อพระนิพพานถ้าเราเห็นสามอย่างในตัวของเราก็ดีในสรรพสิ่งอะไรทั้งหมดในโลกนี่เราเห็นว่าโอ้นี่มันไม่เที่ยงเนาะเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่มันเป็นทุกข์เนาะเออ ม, มันเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้คนยึดถือเอาหรือไม่ควรยึดถือเอา เอตังมะมาเอสโสหามัจฉมิเราเป็นนั่นเป็นนี่ติดอยู่งั่นแหละหลงอยู่ั่นแหละมัวเมาอยู่นั่นแหละเกิดตายอยู่นั่นอีกหลายพบหลายชาติหลายกลับหลายกันพระพุทธเจ้าผ่านไปกี่พระ อ, องค์กี่พระ อ, องค์ก็ไม่สามารถดำเดินตามพระ อ, องค์ไปได้ผ่านไปก็ผ่านไปเฉยๆเราก็มาเกิดก็ เกิดแล้วเกิดอีกก็ไม่ได้บรรลุมรคผลไม่ได้เป็นพผ้าลิ ย, ยบุคคลโซดาสกิทาค้านาคาลหันเลยประมัวเมาผมะมาททมาหากินโอ้ยไปนันไปนี่ไปทับนั่นทนํานี่สารพัดอย่างแต่ ว, ว่าเรื่องของใจไม่เคยสนใจเรื่องของตัวเราเองไม่เคยสนใจไม่สนใจว่าตัวเรานี่จะเกิดตัวเราจะแก่ตัวเราจะเก็บจะตายไม่ได้สนใจ สนใจแต่ว่าเราจะได้อะไรจะมีอะไรจะทํำยังไงถึงจะร่ําจะรวยอยันนี้เพรเราไม่ได้กินได้ทานเลยมันจะร่ํารวยได้ยังไงเนาะเราไม่ได้ดไดทาดํ า, าทบุญทากุศลอะไรจะให้มันรวยไม่รวยหรอกยิ่งไม่ทําก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกตามเข้าไปอีกตายแล้วตกนรกอีกนั่นป่นนานั้นเด้เพราะไม่มีบุญเนี่ยไม่มีบุญอยู่ในตัวเด็กก็ต้องไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้ทํา ตั้งใจมาดีแล้วทุกท่านทุกคนตั้งใจมาดีแล้วขอให้พยายามอดพยายามทนถึงมันจะเหนื่อยจะเมื่อยยังไงก็ตามความเมื่อยมันก็เป็นอันนี้จังอยู่แล้วละ่ะเออมันไม่ใช่ขาของเราหรอกเออมันเป็นหน้าตาเราพลิเกเปลี่ยนท่าใหม่ปับ๊บมันก็หายเก็บหายปวดออกไปยืนออกไปเดินมันก็เลือดลมก็เดินไปปกติก็สบายไป หายไปนี่แหละให้พิจารณาให้เห็นเห็นความไม่เที่ยงในตัวของเรานี้เวลาเรายืนอยู่ทําไมมันไม่เมื่อยเวลาเราเดินอยู่ทําไมไม่เมื่อยเวลาเรานั่งอยู่ทําไมมันไม่เมื่อยแล้วนั่งนานๆทําไมมันเมื่อยเราดูสิดูเข้ามาที่ตัวเราถ้ามันเป็นของเราจริงๆ เราก็ต้องบอกมันสิว่าเออมึงอยา ก, ม, ยา ก, ม, ยากมึงอยากเมื่อนะมึงอยาเหนื่อยนะมึงอยากเก็บอยาตายนะเราจะบอกมันมันก็จะไม่เชื่อฟังเราแหละมไม่เชื่อฟังเรามันไม่อยู่ในอำนาจของเรามันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามวัตจักรของมันในที่สุดก็แตกสลายทนอยู่ไม่ได้เขาบอกเป็นนั่นเป็นนี่ป่วยนรืองป่วย น, น, น, นี้ที่ยิงร่างกายมัน เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยมีเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีแก่ในท่างกลางมีสลายไปตายไปในที่สุดนี่แหละเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้พยายามมาเ็ดวันนี่ให้มันได้ให้มันได้บรรลุมรคผลหรือให้มันได้สมาธิให้มันได้ทานให้มันได้โชดาปฏิมาคโชดาปฏิผล ให้ไม่ได้สกิทาคามีมากสกิทาคาร์มีผลให้ได้อนาคามีมนาคามีผลให้ได้อลาหันแตม่มากให้ได้อลหันตผลธรรมะพระพุทธเจ้ายังไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้เอาไปด้วยเลยยังอยู่เหมือนเดิมเลยมากแปดยังอยู่เหมือนเดิมอริยสัจจียังอยู่เหมือนเดิมเราปฏิบัติตามนั้นเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราเราก็จะเห็นว่าโอ้ ชีวิตของเราถ้าปฏิวัติตามมรรคแปดนี่เห็นรู้เห็นตามมรรคแปดนี่เข้าใจตามมรรคแปดนี่มันเป็นชีวิตที่ดีที่สุดเลยธรรมนูญที่ไม่ต้องแก้ไขก็คือมรรคแปดนี่เลยอริยสัจสี่นี่ไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องมีฉวับนั้นฉวับนี้ฉวับหน่ายทุนฉวับอะไรคุนสึกคุนพนอะไรต่างๆไม่ใช่หรือสบับประชาชนไม่ใช่ แต่พุทธเจ้าสอนอริยมรรคมีโอเปสอนไว้ชัดเจนมากอืสอนไว้ชัดเจนมากสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดํำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบนั่นสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติชอบสัมมาสมาธิตั้งสมาธิมั่นชอบนั่น ทำสมาธิมันชอบแปดอย่างนี่เราให้ชีวิตของเราดําเนินตามนี่เป็นกฎของเราเลยสมาธิิตเห็นชอบก็เห็นชัดลงไปในตัวตนคนเรานี่เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรทรงอยู่ได้อย่างนี้ตลอดเอเห็นไหมปู่ย่าตาทวดขเราก็ล่วงรับไปหมดแล้วต่อไปก็ถึงคิวของเราบ้างแล้วก็ พยายามทำมกักทำผลให้เกิดให้มีขึ้นในตนเสียก่อนเราจึงคิดถึงเรื่องอื่นให้พยายามทำมกักทำผลให้ได้อย่าท้ออย่าถอยอย่าหมดกำลังใจในการที่จะปฏิบัติให้บรรลุมักผลหลวงพ่อเขาให้ไม่ได้มักผลน่ะมันเป็นื่อการปฏิบัติของเราเองหลวงพ่อมีแต่บอกแต่สอนว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็หยิมันก็วางของมันเองมันบรรลุของมันเอง พอเรีนรู้แล้วมันก็จะรู้ชัดในตัวเขาได้แล้วรู้แล้วเห็นแล้วสบายแล้วสงบแล้วอะไรอย่างนี้ขึ้นมาใจเราก็สบายปลอดโปร่งปล่อยวางได้มีความสุขในการนั้นได้ทุกอย่างเนี่ยคอยเข้าใจตามนี้คือให้พิจารณาให้เห็นธาตุขันตัวตนของเรานี่แหละว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นของเป็นทุกข์เป็นของเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงเราไปหลงยึดหลงถือปานไหนก็ตามหนที่สุดมันก็แตกสลายไปเหมือนเดิมมันไม่อยู่ในอำนาจของเราเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงวันนั้นให้เราได้ธรรมะให้เราได้บรรลุมรรคผลก่อนอาจารย์ไหนก็ไม่ว่าล่ะขออย่างเดียวขอให้ได้บรรลุมรรคผล ถ้าไหบรรลุพระมรรคผลแล้วเขเห็นธรรมสิเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมเนี่ยเห็นธรรมเห็นที่ในเนี่ยหนาชัดในตัวของเราทำคืออะไรคือความเกิดความแก่ความเก็บความตายนั่นแหละให้เราเห็นอยู่นี่พอเราเห็นชัดลงไปโอ้นี่วัดหัวนี้มันเกิดแก่เก็บตายตัวนี้มันไม่กี่หลังยั่งยืนตัวนี้เราเท่านี้แหละเราก็เชื่อเห็นธรรมแล้ว พอเห็นทำปั๊บท่านนั้นก็เห็นพระพุทธเจา้จาพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเห็นในใจเลยแบบนี้แต่พระพุทธเจ้าในรูป ก, กายมีไหมมีรูปขันก็มีอยู่แต่ท่านพระองค์ท่านปรินิพานไปแล้วจากพวกเราไปแล้วแต่ทําวินัยเป็นาศาสด า, าทแทนพระองค์อยู่เราปฏิบัติตามทำตามวินัยของพระองค์นั่นเนี่ยหรือปฏิบัติศินสมาธิปัญญาตามพระองค์นั่นเนี่ยนั่นแหละแล้วก็ดำเนินตามทำธรรมะเหล่านั้นเกิดขึ้นในใจแล้วนั่นหนีทุกข์ได้แล้วหนีจากความ เ, เกิดแก่เก็บตายได้แล้วเสวยสุขในที่ะสมบัติแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านทุกคนตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจพอมาสู่สถานที่นี่แล้วอย่าให้มันเสียเวลาไปเปล่าต้องเอาให้มันได้ต้องเอาให้มันถึงทำไมจะกำหนดไม่ได้กำหนดลมเน่ยทำไมจะพิจารณาไม่ได้ก็พิจารณาตัวเองเราก็เห็นชัดอยู่แล้วตัวของเราเนี่ย แตาเห็นเห็นยังไงเลยเห็นตัวเราเป็นยังไงกเมื่เห็นไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์ปนนเป็นนรกนี่มันก็วางหมดทั้งตัวมันวางหมดแล้วมันจะอยู่ที่ไหนก็ปล่อยวางแล้วจิต ก, ก, ก็จ้าสว่างลุ่งเดือดไปหมดโลกนจิตผ่องใสจิตไม่มีกิตไม่มีบนที่อเอาละเอาเท่านี้ละ่ะอีวังก็มีด้วยประการด้วยชนิ